เราว่าพวกนี้เมื่อไม่งดเว้นสิ่งที่ไม่ควรงดเว้นก็ประสบแต่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่ า, นาพอใจพสิ่งที่น่าปรานะรถนาน่าคราน่าพอใจก็เสื่อมลงเสื่อมลงเนี่ยเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้มันก็ทุกผลลัพธ์ที่จกมีต่อต่อไปก็เป็น ทุกเนี่ยนะเหมือนกับกลุม่มพวกกลุ่มติดยาเสพติดทั้งหลายพวกนี้จะไม่รู้เลยว่าปัจจุบันนี้ตัวเองจะต้องทุกขนาดไหนแล้วตัวต่อไปอนาคตตัวเองจะทุกจะเดือดจะร้อนขนาดไหนเนี่ยนะอย่างที่สองพี่สู่ทั้งหลายในจําพวกการสมาทานแล้วยึดถือปฏิบัติเนี่ยนะบางสิ่งก็บอกว่าผู้ที่ไม่รู้ตกอยู่ภายใต้อํานาจแห่งความโง่เขลาไม่เข้าใจอย่างชัดเจนตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ปัจจุบันน่ะสุกจริง แต่อนาคตต่อต่อไปเป็นทุกข์เมื่อไม่รู้ความจริงอย่างนี้เขาทำไงเลือกทำในสิ่งที่คิดว่าปัจจุบันมันเป็นสุขผลในอนาคตช่างมันเนี่ยนะพไม่รู้ผล <c oughs> เมื่อไม่รู้ผลก็เลือกที่จะทำสิ่งที่เป็นสุขในปัจจุบันแต่ให้ผลเป็นทุกข์ต่อต่อไปในอนาคตเนี่ยนะทีนี้พวกที่สามพวกนี้ก็ไม่รู้ความจริงว่าปัจจุบันเนี่ยทอยู่นี่มันเป็นทุกข์แต่อนาคตมันให้ผลเป็นสุข พวกนี้จะเลือกเลือกทํำไหมไม่ยอมเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะคิดว่าปัจจุบันมันเป็นทุกข์จะทำทำไมเพราะที่จริงแล้วตัวเองไม่รู้ว่าข้างหน้าต่อไปจะให้ผลเป็นความสุขก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็เลยไม่ไม่ได้ทําเนี่ยนะไม่เลือกปฏิบัติแบบนั้นอย่างที่สี่ยิ่งไม่รู้เลยว่าปัจจุบันทําแล้วก็เป็นแต่ความสุขอนาคตต่อไปที่จะให้ผลก็เป็นความสุขเมื่อไม่รู้อย่างนี้ทําอะไร ก็ไปทําในสิ่งที่ไม่สมควรจะทำเนะี่ยนะพันธจริงๆแล้วเนีย่ยวิถีชีวิตของเราเนีย่ยถ้าเราจําหัวข้อทำสี่อย่างเนียเ่ยเชื่อเลยว่าชีวิตของเราเดินหรือเป็นการปฏิบัติเพื่อความไม่พลาดแน่นอนทุกปัจจุบันทุกต่อไปสิ่งที่เราทำนะทุกปัจจุบันทุกต่อไปอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองทำแล้วสุขปัจจุบันแต่ทุกต่อไปอย่างที่สามทำแล้วสุขในปัจจุบันแต่ต่อไปเป็นทุกขอย่างที่สี่ทำแล้วก็เป็นสุขและให้ผลต่อต่อไปก็ เป็นสุขเนี่ยนะแต่คนถ้าคนไม่รู้แล้วเลือกทําอะไรเลือกไปทําที่ทุกปัจจุบันทุกต่อไปเลือกทําในสิ่งที่เป็นสุขปัจจุบันแล้วทุกขต่อไปไม่ยอมทําในสิ่งที่ปัจจุบันเป็นทุกข์แต่ให้ผลเป็นความสุขไม่เลือกทําในสิ่งที่ปัจจุบันก็เป็นสุขให้ผลเป็นสุขที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอะไร้ความงูเนี่ยนะถ้าประกาศสงครามมันก็ต้องประกาศกับความไม่รู้เนี่ยนะไอ้ไม่รู้นี่มันช่างเลวร้ายแท้เนี่ยนะ ไม่รู้เนี่ยเลวร้ายเพราะฉะนั้นอวิชาฉันจะต้องฆ่าแกให้ได้อวิชาทั้งหลายฉันต้องฆ่าแกให้ได้ถ้าคิดอย่างนี้การตั้งไว้เพื่อละในสิ่งที่ควรละอันนี้ได้บุญนะจองเวนกับอวิชาเนี่ยนะอวิชาเอ้ยตังก บ, บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะฉันเลิกเลิกคบหาสมาคมกับแกและอะไรที่ไม่รู้เนี่ยไม่ยอมทำตามเด็ดขาดเพราะฉันจะนับถือพระพุทธเจ้าผู้มีวิชานี่แหละพระองค์จะบอกว่ายังไงจะทำตามคนรู้แล้วเนี่ยนะไม่ขอทำตามอาวิชาแต่เชื่อเหรอเราคิดถึงใจเรามากกว่าใจพระพุทธเจ้าไหม อา้าเรานึกถึงใจเรากับใจพระพุทธเจ้าเรานึกถึงใจใครมากกว่ากันแล้วเราเป็นสาวกของใครของเราบ้างเนี่ยนะที่เอาแต่ใจตัวเองอะนะเอา้าถ้าเอาแต่ใจตัวเองก็สาวกใครก็สาวกตัวเองกันแหละเนี่ยนะ ใจมันไม่ยอมอ่ะก็ใจมันไม่ยอมไม่ว่าพระพุทธเจ้าแนะนํำยังไงเนี่ยนะมันก็ต้องพยายามทรงจําพระพุทธพจน์แล้วก็เอาใจพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอย่าเอาใจเราเลยเนี่ยนะถ้ายังงี้ก็ว่าประกาศศึกกวิชาแน่นอนแต่แหมเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยนะอันนี้ประกาศศึกกับปัญญาแน่นอนเนี่ยนะถือเอาวิชาเป็นเป็นเพื่อนเนี่ยนะประกาศศึกกับปัญญาก็ต้องดูเอานะว่าเราจะเอาใจพระพุทธเจ้าหรือเอาใจเราเนี่ยนะบางคนบอกโอ้ยเกรงใจโน่นเกรงใจนี่ ผมแม่ถ้าเกรงใจบัณฑิตเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นขนาดนี้บรรลุกันนานกันหมดแล้วเนี่ยนะกว่าประเด็นสําคัญก็จะแยกพานแยกบัณฑิตแต่ก็เหมือนกับว่ากลัวเขาว่ากลัวเขาว่าไอ้เขานั้นใครกันแน่พระพุทธเจ้าหรือเปล่าเอขาเนี่ยคือใครเขาคือพระพุทธเจ้าใช่ไหมเขาคือบัณฑิตใช่ไหมบอกมันจริงก็ไม่ใช่เขาว่าเขาไหนบอกมันเไม่รู้อ่ะที่ก็เกรงใจเขาเขาไหนก็ไม่รู้บางทีก็เขาว่าเขาว่าเขานั่นแหละเขาอะใคร เอาไปเอามาก็เหมือนกับว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรพราะท้องพยายามกําหนดจดจําสังเกตให้ดีว่าสิ่งที่เราทําในปัจจุบันนั้นคืออะไรเนี่ยนะถ้าหากว่าเรารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นความดีเป็นความชอบเป็นความถูกต้องห ล, ลายอย่างเชื่อไหมเราเนี่ยเป็นคนดือ้อชนิดดือ้อชนิดทุกคนเนี่ยมันมีธาตุแท้ของความดื้ออยู่ในตัวเนี่ยนะบางอย่างเนี่ยอย่าไปคิดนะว่าเราจะสนใจใครบอกแม้เกรงใจพ่อแม่หลายอย่างนะคิดถึงพ่อแม่ก่อนแล้วก็ทําใช่ไหมน้อยมาก บอกบางทีเกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้หลายเรื่องเราไม่ได้เกรงใจเราก็ทําเป็นไม่เห็นว่าเป็นแครอะไรเลยมันในไหนก็ไหนแล้วเนี่ยนะก็ลองเกรงใจพระพูทธเจ้าแล้วไม่เกรงใจคนอื่นเลยเนี่ยนะถ้าเกรงใจพระพูทธเจ้าตลอดไปมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสักชาติหนะึ่งเอาเป็นจริงเป็นจังเลยเนี่ยนะสังสารวัตรน่าจะสุขสบายไปอีกหลายร้อยกับเนี่ยนะมันก็ขอให้แบบขอให้ตั้งใจที่จะเจริญตามคําสอนเธอเนี่ยนะ ก็อย่าลืมนะว่าวันนี้เกรงใจพระพุทธเจ้าหรือเกรงใจเราเนี่ยนะนะเรื่องเดียวกันเนี่ยพระพุทธเจ้าว่ายังไงแล้วเราว่ายังไงเนี่ยนะก็ต้องมาแยกตรงนี้ให้มันออกนะไม่งั้นเนี่ยเราเป็นสาวกของกิเลสที่อยู่ในใจของเราตั้งนานนานแล้วก็อ้างวันนี้เราเนี่ยคนที่ถูกต้องเราเนี่ยถูกต้องเราเนี่ยเดินทางสวรรค์ทางนิพพานมันกลับกันหรือเปล่าเนี่ยนะบางทีกลับหลังหันหลงทิดอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะเขามีคนขับเครื่องบินอยู่คนหนึ่ง แล้วก็ดิ่งมาจมลงทะเลเลยเลยนะเขาบอกว่าพุ่งลงทะเลเนี่ยเขาขับด้วยความเร็วสูงมากเลยดิ่งลงต๊ะก้นทะเลเลยเขาคิดว่ากําลังทะยานขึ้นฟ้าเขาเรียกว่าขับสวัดเฉวียนขับไปขับมาชวัดเฉวียนชอยเฉวียนมางงเลยคะแนนดิ่งลงท้างล่างก็เลยนึกว่าขึ้นบนก็เลยบินดิ่งลงทะเลเมื่อเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะลูกหลานประธานาธิบดีเก่าของอเมริกานนะที่ขับเครื่องบินจมทะเลเนี่ย เพราะพวกนี้คิดว่ากำลังบินขึ้นฟ้าที่ไหนได้ดิงดึง เ, เรียกว่าด่งโน่น่ะด่งก้นเหวโน่นอ่ะก้นทะเลน่ะก็เลยตกทะเลน้ำทะเลลึกสมกว่า30กว่า ก, กิโลเนี่ยนะตายเรียบเลย พรเข้าใจผิดเนี่ยนะเพื่ะนก็ต้องระวังว่าเอาอไอความถูกต้องเนี่ยมันคืออะไรก็ต้องไม่หลงต้องไม่คือว่ามไม่เผลอนะต้องไม่เผลอต้องไม่เผลอต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรมันต้องเป็นคนที่ยุติธรรมสูงมากเลยนะความถูกต้องความเป็นธรรมความยุติธรรมคืออะไรประแต่ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ก็เราก็มีสาวกนะเราก็เป็นลูกที่มีพ่อมีแม่คือพระรัตนตรัยพระรนะัตนตรัยว่าอย่างไรนะั่นแหละราะในข้อ 525เนี่ยนะผู้ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายหน้ะา525เป็นต้นไปผู้ที่บัณฑิตทั้งหลายเนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นผู้ที่รู้อยู่ภายใต้อำนาจของความรู้แล้วก็รู้ชัดเจนรู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรให้ผลเป็นทุกปัจจุบันและทุกต่อต่อไปเพราะผพวกนี้ย่อมเว้นในสิ่งที่เป็นทุกในปัจจุบันและที่จะให้ผลเป็นทุกขต่อไปอย่างที่สองเนี่ยนะผู้รู้ทั้งหลายเขารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสุขในปัจจุบัน และให้ผลเป็นทุกขต่อไปเขาถึงจะสุขในปัจจุบันเขาก็ไม่ยอมเลือกที่จะเลือกจะทำไม่เลือกที่จะบริโภคเพราะเห็นความทุกข์ที่มีต่อต่อไปเนี่ยนะและอย่างที่สามคนที่เห็นว่าเป็นทุกข์ในปัจจุบันและให้ผลเป็นสุขในต่อต่อไปก็ต้องยอมเลือกที่จะทำเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญต่อต่อไปเนี่ยนะอย่างชาวนาเนี่ยนะทนานในห้องแอร์ใช่ เอาแต่ผลทำไมไปทานอาหารในห้องแอร์เป็นต้นะ่ะก็แปลว่าเหตุเนี่ยตอนที่ทำเหตุบางทีก็เดือดร้อนมากนะแต่ว่าให้ผลนั้นเป็นความสุขลลาอย่างเนี่ยตอนทำก็เดือดร้อนแต่ให้ผลเป็นความสุขเนี่ยนะชั้นใดแต่นั้นก็ต้องเลือกที่จะทำเพราะฉะนั้นเห็นเห็นว่ามีประโยชน์และสุดท้ายก็คือผู้รู้ทั้งหลายเขารู้ว่าสิ่งที่เป็นสุขในปัจจุบันและเป็นสุขต่อต่อไปใน อนาคตเพราะฉะนั้นความที่เขารู้ดีเนี่ยรู้ดีจึงเลือกเหตุที่ทำให้เกิดเลือกเลือกเหตุที่ทำให้ได้ตัวเองสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็สมความปรารถนาไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นเหตุให้ประสบแต่ความเสื่อมและไม่สมความปรารถนาเนี่ยนะเพราะว่าเขารู้ความจริงเนี่ยนะเพราะเขารู้ความเป็นจริงะนะทัวนอีกครั้งว่าความจริงที่จาเป็นต้องรู้เลยก็คือรู้ว่าทุก ถือเอาแล้วปฏิบัติทุกปัจจุบันทุกต่อไปถือเอาแล้วปฏิบับติเนี่ยนะทุกสุขปัจจุบันแต่ก็ทุกต่อไปสุขในปัจจุบันเออขออภัทุกในปัจจุบันสุขต่อไปแล้วก็สุขปัจจุบันแล้วก็สุขต่อไปพยายามกำหนดจดจำสิ่งเหล่านี้ให้ดีแต่ทั้งหมดนั้นก็ยังถือว่าเป็นหัวข้อพระพุทธเจ้าก็แจกรายละเอียดว่าภิกษุทั้งหลาย การถือเอาแล้วปฏิบัติในสิ่งที่เป็นทุกข์ในปัจจุบันแล้วให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปเป็นไ น, นบางพวกก็รู้นะว่าอย่างเนี้ยเป็นทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็ทุกข์ต่อไปบางพวกไม่ยอมรับรู้เลยว่านี้เป็นทุกข์ในปัจจุบันและทุกข์ต่อไปก็คือเช่นบางคนเนี่ยนะมีปกติฆ่าสัตว์ขณะที่ฆ่าสัตว์ก็ทั้งทุกข์และโทมนัสเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเขาเสเวยทุกข์และโทมนัส อย่างเช่นเนี่ยนักฆ่าในสงครามทั้งหลายเนี่ยสุขหัหยไม่สุขเลยเนี่ยนะทุกมากตอนที่ฆ่าแล้วก็ผลแห่งการฆ่าต่อต่อไปเนี่ยนะแล้วอาชีพประมงบางกลุ่มเนี่ยนะทุกมากเลยนะตอนที่ทําปลานาติบาตแล้วผลของการกระทําสิ่งเหล่านั้นทุกไหมทุกเนี่ยนะเล่าให้ฟังสมัยก่อนเคยตกเบ็ดเคยใส่เบ็ดเนี่ยนะโอยใส่เบ็ดทั้งคืน อนนไอ้ตอนที่เราไปฆ่าไส้เดือนมันก็เม้นขา่าวแทบตายเลยเนี่ยนะเม้นขา่าวแทบตายเลยแล้วก็ก็ไปใส่เบ็ดเนี่ยนะเดินกลับไปกลับมายุ่งก็กัดทั้งคืนเนี่ยนะโอขนาดนั้นก็ทนนะถามว่าทําบุญไหมบอกไม่หรอกเขามาถ้าขยันทําบุญนะอ่านพระไตรปิฎกเท่ากับทําตอนนั้นนะโอ้มันได้ดิบได้ดีแต่นานแล้วเนี่ยนะแต่ว่าก็ยังไม่ยอมนะถึงก็รู้แต่ก็ยังทําได้ไม่ได้ขนาดนั้นอันนะีไม่เคยนั่งอ่านพระไตรปิฎกทนให้มันยุงกัดทท่งขนาดนั้นเลยนะไม่เคยทําสักทีเลยนะ แต่ว่ารู้ว่าบางทีเนี่ยนะการทําปานาฏิบัติปัจจุบันเนี่ยก็ทุกมากแล้วก็ผลต่อไปแล้วจะสุขไหมยิ้มรับเลยมาเถอะปานาฏิบัติฉันทํำไปแล้วยินดีต้อนรับเลยเนี่ยนะลูกปืนลูกระเบิดมาใส่หัวเธอองนะไม่มีใครเขาต้องการแบบนั้นหรอกคือเนื่องจากว่าไม่รู้ว่าทุกในปัจจุบันนั่นก็เป็นทุกต่อไปในอนาคตเนี่ยนะบางพวกก็เมื่อไม่รู้แล้วก็เลือกเลือกไงก็เลือกทําปานาฏิบัติ พันอย่างปัจจุบันเนี่ยบอกว่ายม oh, อยากฆ่าสาธธัตว์เถอะไม่ดีหรอกอย่างนั้นก็บอกเขาจะกินอะไรเขางั้นนะคือคือคำตอบเหตุผละตอบมาสั้นๆห้วนๆเนี่ยนะแล้วเราก็เรียกว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะเขาไม่ต้องการคําอธิบายถ้าเขาไม่ทําแล้วเขากินอะไรคือเขาไม่รู้เลยว่าเขาทุกข์ขนาดไหนในปัจจุบันและต่ อ, ต, อต่อไปเขาจะได้รับทุกข์ขนาดไหนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็พูดยากยากเนี่ยนะ บอกว่าเอาแล้วกันคุณจะไม่เลิกทำบาปล้วเป็นอะไรทำบุญแทรกแทรกบ้างก็แล้วกันอย่างนั้นะบอกว่าโครงการว่าอย่าทำบาปบริสุทธิ์เนี่ยนะให้มีบุญเจือปนไว้บ้างเนี่ยนะก็ดีใจแล้วเนี่ยนะอันนี้ต่อไปบางคนเนี่ยนะมีปกติชอบลักทรัพย์หละตอนที่ลักทรัพย์ก็ทุกทุกเนี่ยนะ สวยทุก Qué. โ ana, ากากทมันัดเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยบางทีเนี่ยนะเราไปไปขโมยไปอะไรไปปล้นไปโกงอะไรบางอย่างเนี่ยอุย้ตอนทําก็ใจสูงสูงดำดำเนี่ยเขามาเคยไปลักสตังค์พ่อแม่ดังนั้นนะโอ๊ยรู้เลยใจสูงสูงดำดำทุกมากเลยนะเครียดก็เครียดยนะนะแล้วก็ไปครั้งหนึ่งไปลักหัวมันบ้าอี أي, เจ้าหนึ่งที่นาคนอื่นเนี่ยนะโอ้ยทุกไอ้ครั้งหนึ่งไปลักอ้อยอีกที่หนึ่งโอ้ยวิ่ง mày, กันเขาว่าลักปั๊บเนี่ยหักเราก็ใจสูงสูงดําๆนีนะโอ้ยเครียดมากเลยนะ เพื่อนเขาพาไป แ, แล้วพอรักได้ปั๊บเนี่ยไอ้คนเฝ้าสวนอ้อยก็อยู่แถวนั้นเนี่ยนะแล้วก็วิ่ง 3-4 กิโลเนยเหนื่อ ย, ยแทบตายแล้ว ก, ก็จับได้เอาไปประจานให้ยาให้ยาอีกโอ้ยทุกข์มากแปลว่าทุกข์ทั้งในปัจจุบันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาของหายก็ไม่ต้องหนักใจอะไรมากหรอกมันนะเคยทำไปแล้วเนี่ยนะสมควรแก่เหตุก็นั่นนะเพราะมันรักอยู่ไม่กี่ทีแต่ว่าทุกครั้งที่รักเนี่ยทุกข์มากเลยแหละ นี้ต่อไปแล้วก็มาดูว่าบางคนชอบประพฤติผิดในกรรมทุกโทมนัสเพราะประพฤติผิดในกรรมเป็นปัจจัยเนี่ยนะก็บางคนที่ประพฤติผิดในกรรมพวกนี้ก็เดือดร้อนนะนะ ตัวอย่างก็คงได้ข่าวกันแล้วนะแบบถูกฆ่าตายตอนที่กําลังประพฤติผิดในกามกันบัง่งเนี่ยนะประพฤติผิดในกามทะเลาะสามีภรยาบ้านแตกสแสระขาดเป็นต้นเนี่ยนะก็ครอบครัวก็เดือดร้อนเดือดร้อนไปทั้งลูกเดือดร้อนทั้งครอบครัวมองหน้ า, หากันไม่ติดเพราะ้นการประพฤติผิดในกามนี่ก็เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันแล้วก็ต่ อ, ต, อ, ต, อต่อไปอันนี้โชคดีไม่เคยทําต่อไปข้อที่4เนี่ยนะพูดเท็เนี่ยนะพูดเท็เป็นยังไง พูดเท็บางคนเนี่ยทุกมากนะหาเรื่องไง น, นะกว่าจะคิดวางแผนหลอกคนอื่นเนี่ยมันแหมคิดหาเรื่องยากยากพอหลอกเสร็จแล้วก็ต้องมาเสียใจยก็หลอกเขาแล้วก็ต้องมาคอยบอกปากรักษาไอ้ที่ตัวเองหลอกเขาไว้เนี่ยนะต้องมาเชื่อมโยงอ้สับสนซับซ้อนเนี่ยนะแล้วก็เครียดเครียดก็เพราะอะไรเพราะหลอกคนอื่นเข้าไว้พ่านตัวเองก็อยากแกรักษาอะไรนะแบบจะหลอกอยังไงให้มันหลอกความจริงอ่ะให้เหมือนว่าไอ้สิ่งที่หลอกเนี่ยมันเป็นความจริงระยะยาวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็พวกนี้ก็ทุก ขณะที่มู้สาวาทก็เป็นทุกข์ต่อต่อไปก็ให้ผลเป็นความทุกข์ไปด้วยเนี่ยนะบางพวกก็บอกว่าส่อเสียดในปัจจุบันนี่ก็ทุกข์ทุกข์ทเรียกว่าพูดยุแย่ให้คนอื่นเขาแตกแยกกันเนี่ยมันมันไม่ให้ว่ามีความสุขนะไม่ใช่ทําอย่างสุกกายสบายใจไม่ใช่เลยเนี่ยนะทุกข์มากแล้วก็ทุกข์ทั้งปัจจุบันแล้วก็ทุกข์ต่อต่อไปเสวยทุกข์โทมนัดเพราะส่อเสียดเนี่ยนะ อย่างอย่างพระภิสูรรูปหนึ่งเนี่ยนะไปส่อสเสียด ใ, ให้วัดวัดหนึ่งเขาแตกแยกกันตอนหลังเนี่ยตัวเองเป็นโรคพร้อมเหลืองเลยเนี่ยนะเพราะเพราะไปยุแยกให้คนมีศีลเขาแตกแยกกันนี่ยไปทําให้คนดีๆเขาแตกแยกกันตัวเองก็แทบเป็นมนุษย์เปรตเลยว่างั้นแต่พ้อมก็รองไงนะนี่ต่อไปบางคนเนี่ยพูดคากกําหยาบประทุกโธมนัทเนี่ยด่าคนอื่นถามว่ามีความสุขไหมล่ะคนด่า มีความสุขรคกเนี่ยนะแล้วก็ดาเสร็จก็ทุกข์ต่อไปเครียดต่อไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพูดคำหยาบก็ทุกข์เนี่ยนะทุกทั้งปัจจุบันแล้วก็ต่อต่อไป